พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสวนแสงธรรมนำความร่มเย็นอ้าวตั้งใจฟัง นักนักสัตย์ทายาจโจมวันนี้จะให้ฟังธรรมเทศนาองค์หลวงตานะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาพอนานๆพวกเราจะได้มารวมมาร่วมกันฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแต่วันไหนได้ฟังหลวงตาแล้วหลวงพ่อบางทีหลวงพ่ออาจจะมีการเฉลยเองแต่วันนี้จะให้ฟัง ทำเทศนากรที่จะฟังหลวงพ่อเองก็อยากจะแนะนำว่าวันพุ่งนี้และวันนี้ที่พวกเรามาร่วมมาร่วมกันก็นคือเพื่อเตรียมงานวันพุ่งนี้เพราะว่าวันพุ่งนี้คณะสงฆ์ลูกศิษย์ญานิศิษย์ขององค์หลวงตาได้นัดได้กำหนดกฎเกณฑ์กันว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนจะมีการประชุมหารือกัน ถ้ามีอะไรเรื่องหนักหนาพวกเราก็จะได้ปลารบกันอาจจะมีการทอดผ้า ป, ปาอย่างมะคาวก่อนทั้งประเทศอเมริกาโคโรราโดมีความจำเป็นจะต้องได้เตรียมเงินซื้อที่ดินถวายวัดโคโรราโดวัดหลวงตามหาบัวพวกเราก็ได้นัดกันเป็นคล้างคลาวถ้าเมื่อมีความจำเป็นเพราะนั่นถ้าไม่จำเป็นก็เออเอา ก็หาทุนให้ทอดผ้าป่าสมทบแต่ละเดือนเพื่อดูแลบำรุงสวนแสงธรรมแห่งนี้เละเพรฉะนั้นวันพุงนี้จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีตรงกับวันเดือนใหตรงตรงกับวันที่29นะ29เพฤษภาพุทธศักราชสัคือวันพุงนี้แต่วันนี้เป็นวันที่28ตอนเย็น พวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เพื่อเตรียมพมร้อมระหว่างการสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมอในการกล่าวไหว้พระสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การเราไม่มีเข้ามาชุมชนสังคมต่างคนต่างสวดต่างค น, ต, ง น, ต, งคนต่างธรรม เ, เวลาสวดขึ้นมากับคนระดับคนระดับ มันไม่ไปไม่ไปพร้อมกันเพรน น, นานทีพวกเราก็จะมาพร้อมกันกระสวดพร้อมๆกันเวลาสวดเราก็ฟังเสียงเสียงขาวของเรามันเข้ากับหมู่เพื่อนได้ไหมเสียงต่ําหรือเสียงสูงเราก็พยายามปรับเสียงของเราให้เข้ากับเสียงหมูนะ่คนณะอันนี้คือการสวดสวดมนต์พร้อมกันพระหลวงตามหาบัวนะเคยดูเลยเคยดูพระนะ เวลาสวดมนต์หนึ่งคนหนึ่งพูดเสียงสูงคนหนึ่งพูดเสียงต่นะํานีหลวงตาบอกว่ามันไม่ฟังล่ะหูกับปากนะมันอยู่ใกล้ๆกัน่เสียงตัวเองไม่รู้เหรอเสียงมันเป็นยังไงฮะไม่สังเกตเหรอหลวงตาเคยพูดนะหูกับปากไม่ไกลกันทําไมไม่ได้ยินเสียงตัวเองฮนะหลวงตาว่าอย่างนั้นอท่านบอกว่าทำมันโง่เ ก, กินไปมันก็นไม่ได้ยินอะไรสิมืดไม่รู้สังเกตแต่สิทํามัน มันฉลาดมันก็ต้องรู้ว่าเสียงตัวเองเสียงแหลมเสียงต่ำยังไงพูดมัเข้าโมซีนี่แหละลงตาเคยเทศนะลูกหลานนะอันนี้ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราก็ต้องให้เป็นเสียงออกมาเสียงพร้อมๆกันนี่แหละอันนี้ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการาตําบุญตักบาทตอนเช้าตำ่ำทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อทําบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก่อนจัดพัฒหารสันพัทหารปี่น้องประชาชนก็รับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมการถวายผ้าป่าละทีเพราะผ้าป่ามีเจ้าภาพไว้แล้วนะมีเป้าเจ้าภาพไว้แต่ก็พวกเราก็มาร่วบสมทบผ้าป่าเดือนหนึ่งก็กมาช่วยๆกันออกทนเพื่อดูแลบํารุง วัดสวนแสงธรรมของเราถ่าว่าพวกเรามีแต่มาพัดผาอาศัยมีแต่มาใช้น้ําใช้ไฟไม่ได้มาบํารุงวัดเเลยไม่ได้มาบํำรุงวัดสวนเชิงธรรมเลยเวัดสวนเชิงธรรมก็ควรจะออผอมไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่สีบโปรตีนวิตามินเข้ามานะเพราะนั้นวัดของเราก็ต้องการ โองตีนวิตามินเหมือนกันนั้นลูกตาลคณะสัตยาติโยมนนี่นะวันพุ่งนี้มาช่วยๆกันถ่าว่ามันเลือ ก, ก็เก็บไว้แล้วก็จะได้บำรุงเสนาชนะกุติที่พักพาอาศัยซาหลงซาลาล้างคาห้องน้ำที่มันมีปัญหาจะได้เก็บไว้ใช้อย่างบำรุงเสนาชนะของต่อไปจะให้มันล้างเฉลยเต่ก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกัน เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่องค์หลวงตาที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสที่เดิมท่านได้มารับเอาไว้ท่านก่อนได้มาตั้งและจะทำํำมาอยู่ที่นี่โอ้นมนานหลายปีจึงสร้างเสนาที่พักผาา้าใส่ขององค์ท่านถือว่าสถานาสถานที่แห่งนี้ในกรุงเทพนะในกรุงเทพมหานครของเราถือว่าสถานนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะองค์หลวงตาที่ท่านเคยมา มาพักแรมและมาพักอยู่หลายปีหลายเดือนหลายคืนทีเดียวท่านมาแผ่เมตตาภาวนาอบรมศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานอยู่ที่นี่ลูกหลานอยู่ที่นี่อยู่ในกรุงเทพบางท่านบางคนก็ไม่เคยรู้อัดรู้ ร, รมไม่เคยรู้ศีลรู้ธรรมไม่รู้ไม่ไม่เคยรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาหลวงตาเข้ามาจัดแดงทำให้ฟังที่นี่นะ พวกเรากดดูหูแตงหูแจ้งตาสว่างก็มีมากต่อมากเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้เป็นสถานที่องค์หลวงตาเมตตาแสดงธรรมโปรดลูกโปรดหลานของพี่น้องชาวกรุงเทพของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สังศิษย์นะเพราะเป็นองค์หลวงตาเป็นใครถ้าหลวงตาเราเชื่อใน ภูมิธรรมของท่านก็เราก็ต้องบอกองหลวงตาเป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเนี่ยแหละแสดงว่าวัดนี้เป็นวัดของพระอรหันต์เป็นผู้รับเอาไว้ผู้สร้างเอาไว้ผู้ดำเนินการก่อสร้างเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะเดินตามแนวแถวองหลวงตาพาดำเนินนั่นะ เข้ามาตรงนี้แล้วเอืออาแต่หลวงพ่อเองเข้ามาที่ไรหลวงพ่อเย็นใจนะเย็นใจสบายใจเพราะคือเหมือนกับมามาอยู่ในร่มเงาของพ่อลักษณะอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับมาอยู่ในร่มเงาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นแหละที่หลวงพ่อเข้ามาลูกหลานจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหลวงพ่อนหน้าจะร่มเย็นเป็นสุกนะเวลาเราก็ามา น, นึกถึงองค์หลวงตาเนะะาะนัสธาญาจม บ, บุญบารมีหลวงตาเนอคุ้มครองผู้ฆ่ า, าขอให้ผู้ฆ่าไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมอย่าได้มีอุปสรรคนานับประ ก, การใ น, ใ น, ในการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมาบาเพ็ญคุณงามความดีที่สํานักปฏิบัติธรรมขององค์หลวงตากนะ่ อ, อนที่เราจะมา วัดของลวงตามาอยู่ที่วัดของหลวงตาไหว้พระสวดมนต์ที่วัดของหลวงตาเนะี่ยเพราะฉะนั้นให้พวกเราถือว่าสถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่มีภูมิมีภูมิ ม, ม, ม, ม, มีบุญคุ้มครองเพราะหลวงตาได้แผ่เมตตาลงจุดนี้แล้วหนะลวงตาเหยียบย่ําไปตรงไหนเป็นขีดเท้าขีดตีนของหลวงตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเรา จะกราบลงตรงไหนก็คือกราบเท้าขององค์หลวงตาพระหลวงตาเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ให้แต่พระคุณมันคำว่าให้โทษไม่มีมีแต่แผ่เมตตาให้กับลูกกับหลานกัททายาทโยมปณันพกเราทุกทุกทานเน อ, เ อ, อมาณสถาน ท, ที่แห่งนี้ก่อให้ประกอบคุณนามความดีให้สั่งสมบุญกุศลที่ไหนที่เป็นอกุศล ไม่ควรคิดไม่ควรทำไม่ควรพูดในเรื่องนั้นเพราะสถานทิงแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่านถ้าใครทำบุญก็ได้บุญมากถ้าใครทำทบาปก็ได้บาปมากเหมือนกับเราทาผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้น่ะไปทําผิดกับพระพุทธเจ้าบาปมากนถ้าไปใครทําบุญก็ได้บุญมากอย่างนั้น่ะถ้าเราไปทำที่อื่นก็ไม่เป็นไรแต่มาทาตรงนี้นะตรงที่องค์หลวงตาที่ท่าน บำเพ็ญคุณงามความดี เ, เป็นสถานที่บำเพ็ญสั่งสมบุญกุศล เ, เป็นที่แผ่เมตตาขาององค์หลวงตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เรากลับมาทําความชั่วเสียหายก็เป็นบาปอาักุศลนั้นลูกหลานนะทายาจโยมนะ เ, เพราะฉะนั้นให้ประกอบคุณงามความดีพอย่างเข้าประตูวัดแล้วก็ข้าพ เ, เจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีในสถานที่แห่งนี้นะ นะครับจะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราเอ่อเพื่อคุณหนุนพวกเราทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะต่อนนี้ไปก็ให้อาจารย์เจริญเปิด MP3 พีสมของลุงตาให้ฟังท่านพูดว่าท่านผู้รู้นะผู้รู้เป็นผู้มาสอนเพราะฉะนั้นลุงตานี่ท่านรู้แล้วจึงท่านจึงมาสอนพวกเรานะเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังนะทีนี้นะเอานั่งขจมาทิฟังเลยนะ นั่งขสมาธิฟังเลยก่อนที่จะนั่งสมาธิปนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนนะพอนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพอนั่งขสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกนึกพุโ ท, ทโธธรรมโอสังโฆพุโ ท, ทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆซ้ำจบพ่อยัง เพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่ใครเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนสอนเราเพราะนั้นเวลาเราจะนั่งสมาธิเราจึงน้อมลำลึกถึงพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราก่อน อ, อพุทโธธรรโมสังโฆอย่างนั้นกแผ่เมตตาอิสต่อข้าพเจ้ า, จ, าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคือทำจิตใจของเราให้อ่อนโยน ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเว้นไม่โกรธโมโหโกโห้ทายใครทั้งหมดในขณะที่จะนั่งภาวนานี่นะปล่อยวางทั้งหมดเลยถ้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขถ้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้ปาปรารถนาทุกๆุดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดจากนั้ น, นเอามือลง หมอมือโลนจะกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธไม่ต้องส่งใจไปหาเครื่องเทศหรอกนะให้อยู่นสติอยู่กับตัวเองเนี่ยเวลาฟังเทศนะเวลาฟังเทศเวลาครูบาอาจารเทศให้สติอยู่กับตนเองดวงตาจะแนะนำนะไม่ต้องส่งจิตไปหากองสงตาที่เทศถ้าส่งไปหาลวงตาที่เทศใจมันจะส่งออกนอก ให้อยู่กับตัวเองเสียงดงตาจะเข้าหูของเราเนี่ยใจของเรารับรู้รับรู้รับรู้รับรู้ น, นั่นแหะในการฟังเทศหลงตาเอาตอนนี้ไปเปิดได้แล้วนะท่นี้นะี่ยเปิดได้เลยการที่อบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่ชั้นนักยากมากขึนดีไม่ดีไม่รู้กันได้เอาวันนี้เอาตอนนี้ก่อนนะ ฟองเทศหลงตาวันนี้รู้สึกว่าเพ็ร้อนเหลือเกินว่ะดวงตาเนี่ยจุดตินี่เราผ่านไปแล้วยังเทศดุเหลือเกินเนี่ยว่ะ <c oughs> ลูกหลานบางคนติดหลวงพ่อไปอินดูเอ้ผมเนี่ยภาวนาปฏิบัติมานี่นี่ยมันก้าวหน้าจากไหนถอยหลังยังไงเวลาการปฏิบัติของผมเหมือนก็มันอยู่กับถี่มันเหมือนก็ยังไง หลวงพ่ อ, อ, อก็เออก็ตามไม่จริงมันก็คงจะไปทีละน้อยละน้อยก็มัง้งให้พวกเรานึกย้อนหลังรู้สิว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดนั่นแหะเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อนนั่นแะจิตใจของเราเป็นยังไงในช่วงนั้นแต่มาถึงบัดนี้เนี่ยพวกเราเข้าวัดสู่วัดวาศาสนามาปฏิบัติธรรมนีน่ใจของเราเป็นยังไง ค่าว่าใจของเรายังเหมือนกับแต่ก่อนนั้นน่ะจะแสดงว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลแต่ถ้ า, า่ารู้สึกวันหรือประโวงมันดีกว่าแต่ก่อนแต่ใจของเราแต่ก่อนโมโหโธทายัางไงก็ไม่รู้มือมดมดโอนตการแต่ปัจจุบันใจของเรารู้สึกว่ามีเหตุมีผลขึ้นถึงจะไม่มีอะไรกัจิตใจก่บยับยั้งได้มีอะไรบ้างใจเย็นลงบ้างเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่า การปฏิบัติธรรมของเราได้ผลแล้วจดทึย้อนหลังอย่างนั้นนะถ้าไม่เปรียบเทียบมันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะลูกหลานนะคณ ะ, ะทายาิโยมลองพ่ อ, อาวานะพวกเราไปเปรียบเทียบรู้นะที่หลวงพ่อพูดดีนะมีหนังสือหลวงพ่อมีหนังสือแจกนะคณ ะ, ะทายาทโยมลูกหลานตายแล้วเกิดได้วตายแล้วศูนย์ตัวไหนดีพวกกันเนะนี่ยนะจะหนีหตายแล้วเกิดได้วตายแล้วศูนย์มีคนสงสัยมาก หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังในพระไตรปิฎกในกูบาอาจารย์ในภาคปฏิบัติก็เลยเอามาพิมพ์เป็นหนังสือตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์นะแล้วก็มี MP3 สด้วยนะถ้ามีชาดกเอาชาดกพระแจ ก, กด้วยชาดกคือนิทานนะหลวงพ่อไปได้เห็นท่านผู้หนึ่งนะท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในใ น, ในแผนดินเนี่ยแผนดินไทย สมัยพ่อหลวงพ่อเป็นพระน้อยพาหนุน่ท่านเขามาหาบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่แต่ว่านะ่ะหลวงพี่หลวงพี่เดี๋ยวนี้ผมเนี่ยเป็นประธานปูนซีเมนไทยก็เป็นประธานปตทก็เป็นแล้วก็เป็นอะไรหลายหาได้หลายอย่างแต่ผมก็ได้เชิญนักวิชาการทั้งหลายที่เป็นลูกน้อง ของผมเลยดยมากเป็นในปริญญาโทเป็นอย่างน้อยปริญญาโทรปริญญาเอกที่หัวหน้า ง, งาน่มานั่งโต๊ะทานอาหารกลามาทานอาหารเที่ยงหรือว่ามาทานอาหารเย็นพอทานอาหารเย็นแล้วผมก็ตั้งปัญหาถามว่านี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยทั้งแต่ชั้นปัญญาชนทั้งนั้นผมขอถามเลยให้ตอบตามความจริงนะไม่ตอบเบี้ยวไม่ต้อง เกงใจไม่ต้องเบี้ยวไปเบี้ยวมาดูในใจยังไงให้ตอบยังงผมอยากจะถามนะที่นั่งด้วยกันเนี่ย เ, เป็นสิบยี่สิบสาสิบคนเนี่ยนะผมก็าถามด้วยสีว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญผมก็าถามความในใจด้วยซพวกเรามีความเห็นว่าอย่างไงผมถามดูแล้วนี่ยสรุปแล้วเนี่ถามมาหลายครั้งนี่ประมาณ90คนในะท่านอาจารย์นะตายแล้วสูแลญนะ เอแล้วก็ไม่มั่นใจมีอีกส่วนหนึ่งอพวกหนึ่งนึ่ตายแล้วเกิดแหน่ทําไมจมังวาเกิดเพราะผมไปบางแห่งมันเหมือนมันมีมนมผีแน่แน่แนนะพราะะฉนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดและผมก็รู้ในใจของผมอีกต่างหากว่าอะไรเป็นอะไร เ, เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าในใจของผมตายแล้วเกิดเพราะนั้นหลวงพี่นะ ถ้าจะมีอะไรที่จะสอนคนบอกกล่าวคนน่ยต้องเน้นหนักจุดนี้ถ้าคนตายแล้วสูนเนี่ยมันไม่มันไม่เชื่ออะไรทั้งหมดเนีมันไม่เชื่ออะไรทั้งหมดเพราะมันคิดว่าตายแล้วสูนเนี่ยทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วทําให้โง่งทาไมฮ้ยแน่มันเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องหาเหตุผลตรงพีนะแล้เออจากนั้นมาหลวงพ่อฟังนั่นใช่เอ็มสาของหลวงพ่อที่ไหน แม่มีแต่เน้นในเรื่องหมตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนนะลูกหลานนะอยากจะรวยนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาจิตใจสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งนะพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งรูปประธรรมคือร่างกายนมามธรรมคือจิตใจรูปประธรรมและนมะามธรรมอยู่ในเมยตัวของเรารูปประธรรมคออือร่างกายนมามธรรมคือจิตใจ พอจิตใจสงบเรื่อนลงไปนั้นนะมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งนันรูปธรรมนา ม, มาธรรมมันจะเห็นชัดในความรู้สึกนั้นพระพุทธเจ้าจนให้ความให้ความสําคัญเรื่องนา ม, มาธรรมมากกว่ารูปธรรมนามธรรมเรียกว่ามโนปุพังคขมาธรร ม, ร า, ม, นน ม, า, า, มามโนเจฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจนั่นแหะคือมโนนั่นแหะคือนา ม, มาธรรมแต่ร่างกายเป็นรูปธรรมแต่เมื่อใจเข้ามาเข้ามาแล้วมาใช้ร่างกายใช้ร่างกายสมองใช้สมองใช่ไหมสมองเป็นเครื่องสั่งงานของนา ม, มาธรรมเข้ามาแล้วมันสั่งมาสั่งงานมองให้ตาไปเห็นอนนั้นหูไปได้ยินอันนี้จมูก ไ, ได้ยิน เ, เหมือนกับโชเฟอร์ขึ้นไปขับรถ ร, รถเบนซ์รถ b m เที่ทันสมัยทุกวันน่ะโรลสลอยน่ะเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วมันจะมันจะต้องบอกเลยนะนในรถกันนั้นน่ะขาข้างนั้นลมตีนข้างนี้ล้มอ่อนล้อยข้างนี้ ล, ง ล, งล้อลอขวาล้มอ่อนลับล้อซ้ายล้มอ่อนล้อขวาล้มแข็งเกินไปตาข้างซ้ายรีตาข้างซ้ายบอดน้ำมันมีเท่านั้นเท่านี้ มันจะบอกโชวขึ้นมาใช่ไหมอันนี้รวมเหมือนกันแต่ว่าคนเรานั้นมันเห็นแต่สมองมันไม่เห็นตัวน้ำมาทำตัวน้ำมาทมตัวไปใช้สมองพวกเราอย่างหมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นเพราะท่านจึ่บอกว่าเรื่องใจตัวน้ำมาทำตัวนั้นะเป็นใหญ่ผมหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถน้ำมาทำเหมือนกับคนขับรถแต่ว่าเรามองไม่เห็น แต่เราให้ความสําคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องของใจแต่ว่ารถถ้ามันพังไปใช่ไหมรถเกี่ยวรถชนคันหนึ่งเสียเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คนตายในยคนน่าหกหมื่นคือว่าคนเราเให้ความสําคัญโซเฟอร์นี่น้อยไปใช่ไหมหความสําคัญโซเฟอร์นี่น้อยไปน้อยกว่ารถใช่ไหม ลูกหลานให้สังเกตมั่นนะอ่านเอาหนังสือไปอ่านนะนะไปหยิบไปดูเฮ้ยแล้วก็หยิบผละอ่านกันนั่นนี่นะเอาทุกคละอ่านกันหยิบไปเอามากเอามากมาได้เนี่ยมันไม่ครบกันเอาไปฟังซะก่อนถ้าจิตติดใจได้ยังค่อยเอามาเอาอีกเลยอันนี้หลวงพ่อเอามาแจกข่าวนี่มันเป็นแผ่นที่แปดสิบเจ็ดกับแปดสิบแปดนะ หลวงพอ่อเดี๋ยวนี้ทํเอ็มพีสาต้องมเนเก้าสิบแล้วนะเก้าสิบแผน่น9็เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดและเก้าสิบสองแผน่นถ้าถึงร้อยแผน่นหลวงพ่อก็คงจะหยุดลววะว่าหยุดพูดว่าเพรามเดี๋ยวมันจะวนไปวนมาวนไปวนมาเพราะหลวงพ่อก็แก่แนละ้วเอ๊ะเราพูดแล้วเปล่าเนี่ยนะเฮ้อใช่ไหมเออเี๋ยวนไปวนมา ลูกตาลลงตาลลูกลูกหลานโอ้ยลงพ่อพูดวนไปวนมาขนานดนี้จะมาพูดอยู่นะคอยช่วไวนะลุงพ่อกอยคิดเหมือนกันนะลูกหลานนะไปหยิบก็ได้นะ